ของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสซัมปันโอแสดงที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อคืนวันที่19เมษายน2509แก่คณะคุณหมออวยเกตุสิลเขาออกอะไออกมือ ของจริงมีจำนวนเท่านั้นของเทียนจะต้องมีจานวนท่านั้นดูซือความหนึ่งของจริงทัางที่เรารู้อยู่ว่ามันมีของจรอมรวมอยู่นั่นเป็นจำนวนมากซื้อมีความมากมากกว่าที่จะถือของจริง ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคุามสนใจเมื่อละความสนใจละพยายามที่จะซื้อให้คุกเงินจะลังไปซื้อเท่าไรก็มีความให้คุ้ผส่วนเงินที่หมดไปจป็นเนเท่าไรนั้นม่้รับมีสนใจอยู่อย่างได้คูกแต่ละธรรมะ ของพระพุทธจ้านี่เป็นธรรมของจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดมาปลองแปลงนอกจา ก, กแสงมาจากที่อื่นเข้ามาปลองแปลงโดยแต่ภาพนั่เป็นหลักธรรมของพระพุทเจ้าเั่านั้นส่วนที่พระองค์ได้ตรับออกมาจากพระโอรสจริงๆแล้วไม่ว่าธรรมะขัน้นใดจะเป็นธรรมะ ที่รับรองจากความบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นธรรมะที่เกไดกกับผลลงรอยกันได้ทุกๆขั้นของธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นใดจึงไม่เสียผลไม่ผดไม่พลาดไปเหมือนยอย่างเขาที่เหงาที่เดย่อยังปรากฏผลเป็นลำดับ ตามขั้นการทำและการปฏิบัติของตงท่านจริเรียกว่าทำของจริงแต่ที่มีปลอมแปลงแฝงเข้ามานั้นไม่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระกุตจักและไม่ใช่เป็นพระโอวาทที่พระองค์ทรงสแสดงออกโดยพระ อ, องค์แต่เพราะการนานมาและความรู้สึก ของคนที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็มีกระดิกนิสัยมากไปตามกันกับบุคคลความรู้ความเห็นที่มีขึ้นแต่ละลายร า, ายที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาจึงทําให้พระศาสนาเข้าหมองไปด้วยได้ผูกปฏิบัติ ศึกษาอบรมตามหลักธรรมจึงจำเป็นต้องสังเกตพิจารณาไม่ฉชนั้นก็จะถูกของปลอมที่เคลือบแสงมาภายหลังนั้นแรละพอเมื่อมีของจริงแล้วของเทียมย่อมแสงมาลือตามมาอย่างธนบัตรสำหรับรัฐบาลจริงๆที่ทำธนบัตรขึ้นไม่ตั้งใจจะทำเพื่อหลอกลวง ชาแต่ผู้ไม่ใช่รัฐบาลนั่นเลยเพื่อหารายได้สาหรับตัวแล้วแอบแฝงรัฐบาลเป็นที่หากิตจากนั้นก็มีวบายต่างๆที่จะทำได้ตามความเข้าใจของตนฉะนั้นธนัดปลอมจริงมยไม่ว่าประเทศใดของเทียมนั่นแหะมันก็มีได้เด็กเจกันานา ของผู้ไม่ดีมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆก็เทียบกันได้อย่างนั้นพระองค์เองสี่บำเพ็ญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสนพระไทยว่าจะบำเพ็ญเพื่อหลอกลวงโลกการปฏิบัติก็ไมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลอกลวงโลก เมื่อรู้เห็นขึ้นมาตามความปฏิบัติจริงบำเพ็มาจริงก็สอนโลกตามหลักความจริงไม่เคยผลทระไทยที่จะสอนโลกเพื่อการหลอกลวงแต่จริงที่ตรอมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นได้เพราะ ผู้มีความรู้ความเห็นอติยาศัยไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุคคลไม่อยู่ในฐานะท่านรับรองตัวเองและโลกทั้งหลายจะควรเชื่อได้ผู้เช่นนั้นแล่สามารถจะทำความเดจด้อนให้แก่ผู้มีเจตนาหวังดีได้เราผู้ปฏิบัติ นำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติต่อตนเองตามขั้นภูรรมิของการทและกําลังความสามารถของเราที่จะกราทำได้แค่ไหนเราต้องเกินผู้สั้งเกอไม่เช่นนั้นเราก็จะเจอของกองเหมือนกันของกองภายนอกคือ ที่นอกไปจากตัวของเรานั้นดังของกลอมที่เกิดขึ้นจากใจของเราเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่อย่างของกลอมภายนอกก็คือธรรมะที่เพื่อแฝงธรรมของพระพธธุทธเจา้าซึ่งเกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นของคนมีกิเลสไม่เป็นคนอยู่ในฐานะที่โลกจับไว้ใจได้ นีธรรมะปลอมขึ้นจากบุคคลผู้เช่นนี้ท่ะนี้ของปลอมที่จะเกิดขึ้นจากพวกเราทั้งหลายนั้นก็คือความรู้ความเห็นของตนที่ไม่รอบขออาจจะเห็นความรู้ความเห็นที่ปรากฏขึ้นภายในตนว่าเป็นของสิเชื่อตามและมีความสนใจส่งเสริม ความรู้ความเห็นประเภทนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นจนกลายเป็นความผิดแจกเนแลอทําความผิดเดือดร้อนให้แก่ตนเองอีกนี่ก็มีจำนวนไม่น้อยทั้งๆที่เราเข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมและรู้ธรรมโยดยถูกต้องแต่ความผิดนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความสำคัญเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับ เหตที่ก่อขึ้นเป็นความผิดนี่เป็นหลักสำคัญดังนั้นนักบวชซึ่งเป็นแบบมบับของโลกพุทธพุทธศาสนาจึงเป็นผู้ใจ่รองเสมอในหลักปฏิปทาเครื่องดำเนินของตน ไปคบค้าสมาคมกับครูอาจารย์องค์ใดก็ดูให้ชัดฟังให้ชัดคิดให้ดีจนถึงใจทุกอย่างทุกอย่างพร้อมด้วยหลักเหตุผลเข้าเทียบเทียงกันและพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมที่ถูกต้องซึ่งท่านแสดงให้เราฟังแลยหรือเราได้เห็นได้ยินจากท่าน เป็นทางหูทางตาขอตา่างมีเรียน บ, บ่าฟังอย่างถึงใจแล้วนำมาปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักนนเราจะได้พระที่ดีขึ้นมาใช้ในตัวของเราพระเบื้องต้นก็คือพระที่เราบวชเรียนเพศจากคารวะคนผมคนผิวนุ่งผมผ้า แวัสดิภาพดัดกายวาจาใจของตนให้เปิดไปตามความเป็นพระของเราที่เป็นพระขั้นคือท่านบวชที่หลึ่งพระขั้นที่สองคือพยายามฝึกผลอบรมจิตใจของตนให้แน่วแน่ต่อหลักธรรมจะเป็นทางยุไนโกาตามตาทางหลัก ทำล้วนนก่าตัดอย่าให้ปลีกแวะจากหลับทำดีในทั้งสองประเตุนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินถูกต้องตามหลักของพระพระของเราจะไม่บกกรอดดนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนก็จะเป็นพระอยู่โดยปกติไม่ด่างคร้อยเมื่อเราพยายาม ก็อสองมองรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราว่าถูกหรือผิดอยู่เสมอโดยถือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับถือข้อวินัยเป็นร่ว ก, กันเราดำเนินกายวาจาใจของเราให้ไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยเรื่องความปลอมแปลงของใจก็จะหาทางแสดงตัวขึ้นได้ยาก เพราะอำนาจแห่งความเป็นผู้หนักในธรรมไข้ส่วนด้วยเหตุผลอยู่เสมอไม่ถือความอยากเพียงเท่านั้นเข้าไปเป็นหนัวหน้าเครื่องดำเนียแต่ถือหลักเหตุผลเข้าเทียดเพียงเสมอการสร้างคนให้เป็นคนดีมีธรรมภายในใจเจริญรุ่งเรืองทั้งทา ง, งโลกและทางธรรม ภายในกายวาตาใจของแต่ละคนละคนนั้นรู้สึกว่าสร้างยากเราสร้างตึกสร้างบ้านสร้างวัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหมดเป็นจำนวนมากเท่าไหร่ก็ยังพอจะทำขึ้นได้โลกทั่วๆไปไม่ค่อยบก้องทางด้านวัตถุ ทำกันได้ทั้งนั้นแต่หลักสำคัญก็คือสร้างคนให้ดีมีเป็นหลักสำคัญอย่มากสร้างคนให้ดีกค็คือสร้างใจให้เชื่องให้มีเหตมีผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เราอยู่ในบ้านเราก็มีทำกระทำเราตามเพศของคารวะเราวบวชเป็นพระก็มีพระธรรมวินัยปกครองตามแบบของพระอยู่ที่ไหนก็ดําเนินตามแบบของตนจะเข้าในบ้านก็คือเอาแบบของพระไปใช้จะไปที่ไหนมาที่ใดไม่ปราศจากแบบของพระคือนาแบบของพระไปใช้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่นอกวัดในวัดไม่ว่าจะไปอยู่ตามถ้ำตามเหวตามภูเขาตามป่าชา้าหรือไปอยู่ในบ้านวัดบ้านไปตามสถานที่มีมนต์นต่างๆ <c oughs> เราจะได้ถือกาลเทสะให้มากไปยิ่งกว่าหลักทำไไนี้ที่พระเราจะต้องดำเนินโดยถูกต้องกาลเทสะใดที่ขัด แย่งกับปรับพระธรรมวินัยให้เราพิจารณาให้มากเพราะคําว่ากาลเทศะนี่มีความเปลี่ยนแปลงเสมอไปไม่คงที่เราจะเห็นได้อย่างสมัยแต่ก่อนๆ ก, กับสมัยทุกวันนี้สภาพของกาลเทศะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่การใช้การสอยการนิ่งการคบค้าสมาคม ห, หน้าที่การ ง, งาน เปลี่ยนไปเป็นลำดับลำดาไม่ค่อยคงที่เราผู้เป็นพระต้องเป็นผู้คงที่ตอลอัก็ทำนี่แหละไปไหนขอให้นำแบบของพระไปใช้อย่าให้บกพร่องเคยทำอย่างไรให้ทำอย่างนั้นเพราะถ้ะเราไม่หวังจกเอาความดีเด็ดความสุขความเจริญจาก สืนอกจากการปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของหลักการทำดีในมีป็นหลักของพระคือไม่เอื่อเียและไม่เพื่อความเย่อหยิ่จองหองไม่เพื่ออวดโลกแต่เพื่อหลักทำหลักทีในคุ้มคองใจคุ้มคองสัวของหลักและเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ ในสถานที่ทั่วทั่วไปผู้ดำเนินตามหลักพระธรรมนี้ในให้ถูกตามแบบของพระแล้วย่อมไม่ตื่นเต้นไม่แสดงความดีใจเสียใจไม่พุ้งเฟอ้อเหือเหือไปตามการรักอิสระและไม่หดหู่ในลักษณะของบุคคลไม่มีธรรมในใจ จิ่งใดมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายให้นำเข้ามาพิจารณาภายในใจเทียบเทียง ก, กันกับหลักธรรมจนหาทางรอดพ้นไปได้ทุกระยะระยะที่สิ่งเกี่ยวข้องเข้ามาสัมผัสกับเรานีพระผู้จะทาโลกให้มีความเจริญจกทาตัวให้มีความร่มเย็น ต้องทำตัวไปตามแบบระบับของพระธรรมวินัยจะเป็นอันว่าทำตัวให้เป็นแบบะบับของโลกได้หลักพระธรรมวินัยของพระพุเจ้าเป็นระเบียบหหลักความประพฤติของพระมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยต้องเป็นผู้สม่ำเสมอในการปฏิบัติไม่ทอดทิ้งไม่ปล่อยวางไม่ลดหย่อนจนกลายเป็นความอ่อนแอรหรือทอดทุระเสียในสถานที่การบุคคลเรียกว่ากาละเทสัโลกจะมีความรุ่มร้อน กายจะมีความลำบากขอให้พยายามตัดแปลงจิตใจของเราให้มีความร่มเย็ยนด้วยถับจะมีเกาะมีที่พึ่งที่อาศัยเหมือนกันกันกับเราเดินทางไปร้อนร้อนมีต้นไม้ใบหนาอยู่สองภาคทางีท่าน้ำ เป็นที่อาบดื่สบายเพราะได้พักผ่อนร่างกายให้รับความร่มเย็นเป็นสิทธูนี้เรียวกว่าการเดินทางไม่เอบทะหไม่ลำบากเพราะมีที่พักที่อาศัยผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้าย่อมเป็นเหมือนกับบุคคลตัวเอง โลกจะเดือดร้อนร่างกายให้เราจะไม่สบายแต่ใจของเรามีความมั่นคงต่อหลักธรรมย่อมแสดงผลขึ้นให้เราได้รับความนุ่มนิ่ภายในใจเราต้องการสอนตัวของเราให้เป็นคนดีเราต้องอย่าทําความไม่ดีในท่าน ขณะที่เราคิดเช่นนันหรืออยากเป็นเช่นนั้นเราต้องการให้ใจของเราสงบเยือกเย็นเราอย่าสะแสวงหาความคิดที่เป็นไทยมาเผารนจิตใจนั่นคือว่าความไม่ดีเราต้องการความสงบเยือกเย็นอย่าทําปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ลอยไปตามอารมณ์โดยไม่มีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจะหาความร่มเย็นไม่ได้เราต้องการจัดตรงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจของเราด้วยภายในกายวาจาของเราด้วยเพื่อให้โลกทั้งหลายได้รับความร่มเย็นกลายเป็นโลกที่จเจริญขึ้นไปเพราะ เราเป็นผู้คาสอนตามกำลังความสามารถด้วยเราต้องตั้งหลักของเราให้ดีตั้งหลักก็คือธรรมะกับใจความสังรวมระวังใจไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอําเภอใจที่เคยต่้งไว้ มีการปึกหัดกัดแฝงถึงจะทุกข์จะยากจะลำบากเราอย่าถือเป็นข้อภาษาเครื่องจดขวางทางเดินของเราความลำบากในการประกอบการงานเราต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากความลำบากว่าจะมีเช่นไรเมื่อมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นว่าเป็นเช่นนั้นโดยแน่นอนแล้วเราต้องดำเนินงาน แดดเราก็ยอมสู้ผลก็ต้องยอมสู้หิวกระหายก็ต้องยอมรับจะลำบากกาบนหนักบ้างเบาบ้า ง, างในหน้าที่การงานซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละท่านนะท่านที่จะต้องทำเราก็ต้องทำเพราะหลักศาสนาสอนให้บุคคลมีความมั่นคงมั่นคงต่อหน้าที่การงาน มั่นคงต่อเหตุต่อผลไม่สอนคนให้มีความวอกแบบความแปรก่อนแอ่ที่เกีียดเหล่านี้ไม่ใช่หลักศาสนาเท่านั้นใจเมื่อได้รับธรรมะเป็นเครื่องดัดแปลงหรือซักฟอกอยู่เสมอจะนับวันหายพยศเข้ามาเป็นลำดับ เนี้ยจะยากในเบื้องต้นแต่จะสะดวกในวาระต่อไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่ลดลักนี่เป็นหลักของพระมหาบุตรคือพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาก่อนพวกเราแล้วํำเนินแบบเอาจริงเอาจังเพื่อหวังผลอันเป็นที่พอพระทยัยเนื้จะยากลำบากก็ยอมเสียสละ ไม่เห็นจ่ความยากนั้นนั้นโดยไทยใจตามปกติจะ ต, ต้องส่แสวงหาอารมณ์เพื่อเป็นเครื่องเล่นอยู่เสมอนี่เป็นปกติของใจแห่งสามัญชนเราทั่วๆไปแต่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมะผู้มีศาสนาภายในใจ ผู้เป็นนักบวชต้องสอดรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอารมณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับใจตนเองเสมอเราจะมีทางแก้ไขได้และรู้ทางแก้ไขได้เป็นลำดับไม่นอนจมอยู่กับสิ่งที่มาขอควรเรียกว่าอารมณ์นั้ น, น, น โดยถ่ายเดียวจิตนี้ชอบบังคับทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าปลอยธรรมดาแล้วจะไม่มีสถานีที่จะจอดจแวะให้เต็มที่สํายใจได้หรืวันยังคำคืนยังลุงจิตจะหมุนตัวเป็นเดียวอยู่ด้วยความคิดความปรุงเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ทำหนึ่งขอแต่ ได้ปรุงได้คิดแล้วเป็นที่พอใจแม้จะเดือดร้อนก็ยอมเสวยผลทั้งทั้งที่ก็บ่นว่าเดือดร้อนและพอใจที่จะส่งเสริมอารมณ์ที่จะเพิ่มความเดือดร้อนขึ้นไปอีกโดยไม่มีตัณห์นี่หลักใจธรรมนาปกติธรรมนาของใจเราเป็นเสมนแต่จิตของผู้มีธรรมะย่อมเทียบเพียงเหตุผล ทำอะไรผิดลงไปคิดอะไรผิดลงไปแสดงผลอย่างไรขึ้นมาต้องนำเหตุนำผลเข้ามาเทียบเทียงกันถ้าเป็นสิ่งที่จะควรส่งเสริมก็พยายามบำมุูให้มีความสามารถแจกกล้าขึ้นเป็นลำดับถ้าเป็นฝ่ายไม่ฝ่ายชั่วไม่ดีก็พยายามตัดรอยฝืนจิตฝืนใจไม่ให้ิดีแม่จะอยากคิดก็บังคับเพราะความอยากนั้น เป็นใครต่อใจเป็นการฝึกทัติต้องมีการศูนใจบ้างไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมอยแปดตามอำเภอใจเหมือนอย่างขอนสุงมอยตามน้ำจะไปที่ไหนก็ไปได้เรียกยแต่ขอนสุงมที่มีเจ้าของ เขปล่อยไปใ น, ในเวลาที่ควรปล่อยแต่กักไว้ในเวลาที่ควรกักเพื่อเสี ย, ป ร, ยประโยชน์จากข้อถึงนั้นๆอยู่จิตที่ควรจะปล่อยแล้วก็ปล่อยไปคุงเห็นว่าการปล่อยไปนั่นเป็นทางที่ดีแต่กักขังไว้หรือบังคับไป ในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรไม่ดีเพราะฝืนปล่อยไปก็เป็นทุกข์เกิดร้อนนำความไม่ดีมาย้อนกลับมาให้เจ้าของได้รับความผิดจำเป็นต้องบังคับเอาไว้พยาาที่บังคับกระมานเช่นนี้ท่านเรียกว่าความเพียงไม่เช่นนั้นไม่จัดมาเป็นความเพียง เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะรู้จักเรื่องวิถีทางเดินของใจและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจถ้าไม่รู้วิถีทางใจและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับใจว่าถูกหรือผิดดีหรือทั่วแล้วก็ไม่มีหวังผลอันใดที่จะได้รับจากการปฏิบัติศาสนายิ่งเป็นพระและนักปฏิบัติด้วยแล้ว ก็งเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะไม่ควรนอนใจธรรมะทั้งหมดแสดงเรื่องความเป็นไปความเป็นมาของจิตรบชาติก็คือเรื่องของใจความทุกข์ความลำบากก็คือเรื่องของใจไตก่ขอขึ้นเรื่องของใจนี้นับจำนวนไม่น้อย แต่ละท่านละท่านไม่สามารถจัดประมวลเรื่องของตัวเองได้ถ้าเราจะเขียนลงในหนังสือคำพูดใบลา น, นจเจ้าแผ่นดินเป็นทั้งแผนน่นี้หรืออากาศทั้งอากาศเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษเอาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้เป็นหมึกเอาน้านำหาสมุนมาผสมเป็นน้ําหมึก เอาภูเขาทั้งแทบจะมีอยู่ที่ไหนก็ตามมาเป็นน้าปากกาเขียนกันตลอดกลับตลอดกันจะไม่จบในเรื่องของจิตแต่ละลายแ ล, ล้วล่ะเพราะได้สั่งสมตนเองมามากประมาณเท่านั้ น, นการปฏิบัติการภาวนาก็เพื่อจะประมวลเรื่องของจิตทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วมีจจำนวนเท่าไหร่ ท้งจะเป็นไปทางหน้าอีกจะมีจำนวนเท่าไหร่ให้รวมเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคือกิต ด, ดวงที่เป็นดุลอำนาจนี้คิดเรื่องดีก็คือเรื่องที่เคยคิดมาแต่ไม่มีจำนวนมากพอจะยกเราให้หลุดพ้นไปได้คิดเรื่องชั่วก็เคยคิดมาและคิดเป็นจำนวนมากไปจนเราจำไม่ได้ ฉะนั้นการอบรมจิตจึงมีความลาบากอยู่บ้างเพราะฝ่ายต่า ม, มีกำลังมาฝ่ายสูงคือธรร ม, มะมีกำลังน้อยกว่าจะต้องใช้ความเย็นพยายามฝุดค้นลงไปของมากซึ่งเป็นส่วนไม่ดีแต่ถูกตัดรอนด้วยความดีเสมอเสมอจะลดจำนวนน้อยลงไปเป็นลหดับลาดับของจานวนน้อยแต่ได้ รับการส่งเสริมเสมอจะมีจำนวนมากขึ้นเป็นจำนวนมากจนสามารถแก้ไขกันได้และสามารถรู้เรื่องของใจที่เคยเป็นมาผีกับขับไปทวนข้อทางจะประมวลมารู้ที่ใจดวงนี้ทั้งหมดและรู้วิถีทางแก้ไขเพื่อให้เดินไปถูกทางธรรม ในขั้นละเอียดไปเรื่อยๆจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดทั้งกระแสของใจที่เกี่ยวไปทางอดีตมีจำนวนเท่าไรเกี่ยวกับทางอนาคตมีจำนวนเท่าไรรู้ทั้งฐานของจิตซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบแพงทงธาต และแหกอารมณ์ทั้งหลพร้อมทั้งการขอดขอนหรือทำลายในจุดนั้นด้กลายเป็นใจที่ไม่จุด ข, ขึ้นมาในใจดวงที่เคยลุ่มหลงมาเป็นเวลานานแล้วเรียกว่าเรียนวิชาจิตได้จบสิ้นลงในขณะที่ทำลายลาบเน่าเข้ามูลของพบของชาได้แจ่อวิชาที่รู้ โกหกดูภายในไหลักธรรมะเรียนมาเพื่อรู้ตัวเองไม่ใช่เรียนมาเพื่อหลงเรียนมาเพื่อแก้ตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่เรียนไปเพื่อติดเพื่อความเพื่อเป็นจิ่เดชปัญหาขึ้นเพราะการเรียนธรรมะเรียนเพื่อถอดเพื่อถอดเรียนอย่างนี้เมื่อรู้จริง ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เป็นอันว่าได้รู้ได้เห็นพระพุทธพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันสาวกอรหันก็เป็นอันว่าได้รู้ทันในขณะเดียวกันก็ะธรรมที่บริสุทธิ์ผุดึ้นจากใจพี่หมดจดโดยสิ้นเชิงนั้น ก็เป็นเส้นเดียวกับธรรมที่พระพุทธเจ้าและสามบทั้งหลายท่านเคยส่งมาแล้วนี่เป็นธรรมที่ไม่ปลอมแต่ก่อนก็เป็นธรรมปลอบธรรมผ่ดแผงกันไปเมื่อได้ถูกธรรมะตักกอกผัดเป่าออกได้เรื่อยด้วยหลักธรรมที่บริสุทธิ์ของพระพุท ธ, ธิจ้ใจนี้จะมีสิ่งปรอมแปลง ผสมพรเศสอยู่ในนั้นจำนวนมากเท่าไรก็คนต่อหลักธรรมคือความจริงนั้นซึ่งทำละซับคอบอยู่เสมอไม่ละจนกลายเป็นใจที่บริสุกบุดทำที่บริกบุดขึ้นมาภายในใจของท่านผู้นัน้นท่านผู้นี้แหละเป็นผู้รงโลกรงทำได้โดยสมบูรณ์ถ้าเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ ใหญ่มีใบหนาตั้งอยู่สองภาคทางให้คนนละศัตว์ได้อาศัยในเวลาเกิดความรุ่มรอนถ้าเป็นน้ำของเป็นน้ำบึงน้ำบอ่อที่ใสสะอาดและมีรถยู่สนิทิใครก็ต้องการอยากัอาบดืท้าช้สอยแม้แต่สัตว์ก็ยังต้องอาศัย น้ำก็บพืชน้ำเนื้อเป็นเชนั้นธรรมะจริงไหมมีสิ่งธรรมชาติหริอผูดด้ใดจะรังเกียจถ้าพูดถึงหลักธรรมะในหลักธรรมชาติแล้วแต่เราไม่ทราบว่าธรรมะคืออะไ ร, ราศาสนาคืออะไรเท่า น, นาศาสนาแม้จะเป็นของจริงแต่ก็อาศัยความรู้ความเห็น เป็นของปลอมนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องศาสานาก็กลายเป็นลัทธิปราเคมีนิธรรมเนี่นี่เป็นของชาตินั้นท่านนี้วันนั้นนั่นอะไรดีอแล้วก็เกิดกำหนดติชมกันว่าศาสนานั่นดีศาสนานี้ไม่ดีศาสนานนหน้าหน้านับถืออันนี้ไม่น่านับถือความคิดชนี้ไม่ใช่คิด เห็นตามหลักความจริงตามหลักธรรมที่แท้จริงแต่เป็นความคิดคาดหรือคเนเอาตามความชอบใจของตนแม้ธรรมะจะเป็นของที่เยี่ยมแต่เพราะใจเป็นธรรมชาติที่ต่ำก็กดถี่บังคับธรรมะนั้นซึ่งเป็นของเยี่ยมให้กลายถึงของต่ำและยกกิดของตนที่เป็นของต่ำๆนั้นให้กลายเป็นของกิดสูงยิ่งกว่าธรรมะหรือศาสนาไปเสีย ดังที่เราทั้งหลายได้เคยเห็นได้เคยดียินเหมอคนที่ตำหนิติโทษศาสนาอันแคจริงเช่นพุทธศาสนาทั้งลราเป็นอย่างนั้นท่านผู้ทรงโลกทรงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเนี่ยจะทราบทั้งบือทั้งชั่วจะทราบทั้งความถูกดุกิจแห่งศาสนานั้นๆแต่ไม่ไปคิดจะเหยียบย่ำ หรือดูถูกเกียจจมแต่ระันปล่อยไว้ตามสาภาพเพราะศาสนาแต่และศาสนาก็สอนคนให้ดีจะดีขั้นไหนนั้นเมื่อรวมความลงแล้วก็สอนคนให้ดีนั่นแหละเขาจะดีได้ขั้นไหนก็ตามแต่หลักการปฏิบัติหรือหลักธรรมหรือหลักศาสนานั้นที่เห็นคิดให้เขาเดิน แต่หลักพุทธศาสนานี้ไม่จนกรอกจนมุอนับตั้งแต่เด็กตัวล็กเล็กขึ้นมาตลอดจัตใจชาติมาถึงผู้ใหญ่ครว่าาักชั้นวรรนะเทเศสาสนาเป็นศาสนาที่พอดีแต่สิ่งเหล่านี้เท่านั้น ผู้สนใจจะนําไปปฏิบัติได้แค่แค่ไใดก็เป็นผลให้ได้รับความร่วมเห็นกันสมกับว่าศาสนานี้เป็นศาสนาที่สม่ําเสมอและเป็นศาสนาที่ไม่จดคนชั้นใดนําไปปฏิบัติก็ได้คนจนปฏิบัติก็ได้คนนั่งมีปฏิบัติก็ได้คนโง่ปฏิบัติก็ได้ คนฉลาดปฏิบัติก็ได้้าติชั้นวันใดนำไปปฏิบัติก็ได้เป็นผลตอบแทนไปตาตตามความปฏิบัติแค่ความสนใจของผูณนั้นๆโดยไม่ไรผลประโยชน์แต่อย่างใดและไม่เข้าข้างโน้อนออกข้างนี้ไม่เห็นแต่ความสูงสูงต่ำต่รุ่มรุ่มนมลมอนดอนคนโง่ปฏิบัติเขาก็ได้ตามขั้นแห่งความโง่ของเขา ใช่เขาขาดประโยชน์นั่นเต็นไปไม่ได้คนฉลาดปฏิบัติก็ได้ผลตามความฉลาดของตนศาสนายอมรับการกราบไหว้บูชานับถือจกัจกรตัดโลกทั่วทั่วไปนี่จึงคือว่าศาสนาสมบูรณ์มีให้ผู้นับถือได้นับไปปฏิบัติ ทุกแน่ทุกมุกไม่จนกรอกจนมเพราะของมีมากไม่อัน้นใครจะนำไปปฏิบัติแค่ไหนไม่อัน้นธรรมะขั้นต่าก็สอนไว้เพื่อผู้ปฏิบัติตามขั้นกลุ่มของตนธรรมะขั้นกลางก็สอนไว้ผู้มีความสามารถปฏิบัติธรรมะไายในขั้นกลางก็ไม่จบในหลักคำสอนผู้ต้องการธรรมะอันละเอียดสุ ข, ขุมคัมภีรภาพ จึองสามารถให้พ้นทุกไปได้ในชาตินี้นาศาสนาธรรมก็สอนให้ถึงสุบความพ้นทุกคือนิพพานนางปรมังทุกขังเป็นจุดสุดท้ายแห่งการปฏิบัติหรือการชี้แนวทางแก่ผู้ปฏิบัติเปนชือหลักพุทธศาสนานี้ไม่จดถึงจะไม่ประกาศอวดอ้างก็าตาม ก็เป็นเช่นเดียวกับขอ ง, ของถ้าเป็นด้านวัตถุก็เหมือนขอ ง, ของที่ตากแห้งแล้วไม่จำํำเป็นจะต้องเอาออกไปเชื่ตากแดดเจ็บไว้ที่ไหนก็ได้ไม่เสียหา ย, ยไม่บูดไม่ซึมราไม่เหม็นไม่เนา่าเพระของทายตัวแล้วจะเจ็บไว้ที่ไหนก็ได้จะออกไปตากแดด ก, ก็ไม่เสียหายออกไปตากฝนก็ไม่เสียหาย จะเก็บไว้ในบ้านในเรือนหรือในตู้ในเซบที่ไหนก็ไม่เสียหายเก็บไว้ในใจนี่ก็ยินดีไม่ถึงการที่จะควรแสดงออกท่านผู้มีธรรมท่านไม่หิวใครจะมาก่าวเหยียดหยามดูดูถูกเหยียดหยามท่านก็ไม่มีความเสียใจเพราะธรรมะภายในใจของท่านเป็นธรรมะที่สมบูรณ โดยลำทางตนเองแล้วไม่จําเป็นจะยกขึ้นให้สูงและไม่จําเป็นจะเหยียบลงให้ต่ําได้ใครจะเหยียบจะยกก็ตามก็เป็นเรื่องของคนนั้นแต่หลักธรรมแล้วต้องเป็นธรรมเสมอไม่เข้ากับการเหยียบการยกการวางของ่อทันใครจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็แล้วแต่ท่างศาสนาทรงไว้ซึ่งความเป็นกลามไม่แสดงความดีใจเสียใจยตามคนที่นับถือหรือไม่นับถือตามคนที่ดูถูกเหยียบดหยามรุก ถเฉแต่จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีความสนใจใครจะปฏิบัติต่อหลักธรรมนั้นๆเป็นขั้นขั้นสุดและจะเป็นความเสียหายแก่ผู้ดูถูกแก่หยามนั่นใช่อโดยธรรมะไม่มีความเียหายจากการทํานิติชมนั่นเลยเราจรึงควรพยายามทําจิตใจของเรา ให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นจนถึงขั้นแห่งความเสมอตัวสิ่งที่ดีที่ชั่วสิ่งที่ควสรสนับสริญชมเชยซึ่งเคยผ่านกับใจของเรานี่มาเป็นมีลานานหรือเกี่ยวข้องกับใจมาเป็นเเราจิตของเราเมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้ยอมแสดงอาการขึ้นๆลงๆรุ่มๆตอนๆแต่เมื่อใจได้พอตัวแล้วด้วยหลักธรรม ย่อมจะตรงความจำหม่ำเสมอไว้ทุกดาทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเท่นเดียวกับธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเองใครจะตัณมิติทมก็คือธรรมอยู่นั่นแหละใดที่เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วก็อย่อมเป็นเช่นนั้นอีอะไรจะมาเกี่ยวข้องทั้งดีทั้งชั่วก็อย่อมเป็นธรรมอยู่เช่นนั้นไม่แสดงอาการเนเนี่ยนั่นทันเสียบว่า ใจที่สมบูรณ์ภายในตัวเองด้วยธรรมะแล้วย่อมไม่สอบเสลงย่อมไม่แสดงอาการหิวกระหายไม่แสดงอาการตื่นเตินแต่สงบปราพา่ด้วยความสมบูรณ์แห่งสันติธรรมนี่คือท่านผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมรูร้เห็นผลประจและเห็นผลประจักษ์จริงๆแล้วโดยสมบุเป็นเส้นเรื่องพบชาติที่เคยผ่านมาทัานกอ เรือออกมาเผาผลานทิ้งเสียหมดไม่ให้มีอันใดหรือว่าเป็นช า, ชาตุทบา่อที่ในภายในใจเรื่องอนาคตซึ่งจะเกิดขึ้นจากปัจจุบันนี้ไปปรากฏตัวพาะเป็นอันว่าหมดปัญหาไปเพราะหลักปัจจุบันนี้ได้ขาดสะบั้นลงแล้วด้วยอำนาจตปะทัพคือความแผดเผาทูนั้นทรงไว้ นความสมบูรณ์ในปัจจุบันทราบชัดในเรื่องอดีตของความเป็นมาของจิตตนเองทราบชัดทั้งอนาคตที่จะเป็นไปขานาดของจิตดวงนี้พร้อมทั้งปัจจุบันอยู่ในขณะนี้ก็ทราบชัดแล้วว่าตนเป็นผู้บริสุธโดยสมบูรณ์ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วยิ่งไปกว่านี้นี่คืท่านผู้คงที่ผู้สมบูรณ์เข้าคำหลักธรรมว่านัิสันติปรังสุขัง ทุ่นยิ่งกว่าความสงบนี้ย่อมไม่นี่คือความสงบที่สมบูรณ์แท้จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ความสงบที่ตายตัวจะหยิบ อ, ออยอี ก, ก็ไม่ลนะจะเพิ่มอีกก็ไม่ใช่สันติที่ตายตัวสันติที่ตายตัวก็คือความพอตัวของใจอยู่ด้วยธรรมนั่นคืกว่าพอตัวหลักของการปฏิบัติศาสนา ย่อมส่งผลให้เราเห็นชัดมาเป็นลำ ห, ล ห, ล ห, ลหลนักลำหนักแงจะไม่ตายเราก็เห็นชัดรู้ทัดอยู่ภายในใจว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่าไหรและด้วยความเลียนขนาดไหนบ้างผลแสดงขึ้นมาอย่างไรบ้างจนถึงบัดนี้ความรู้สึกของเราซึ่งเกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องรูปสิง่งแวดลอมต่างๆเป็นอย่างไรได้เปลี่ยนสภาพ มาเป็นลำบากลำบาจนถึงในระยะนในระยะนี้เป็นอย่างไรก็ทราบครับในระยะนี้ก็คือความคงที่เท่านั้นพระหมดเหตุหมดปัดจจัยด้วยอำนาจข้อปฏิบัติที่ชำระภาษามาเป็นลำดับส่งผลให้ถึงขั้นความพอตัวเรียบธรรมพอตัวจิตพอตัวไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมนาะเืิดแต่มีรสชาติพอตัวอย่อยางต้มบุ๊ มีทะเียอนิพพานังปรามังสุขะทุกเรยิ่งเอา่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเขอยิ่งกว่าโลกทั่วทั่วไปที่เป็นอยู่ที่ปราบดีไม่ว่าจะเป็นความสุขประเภทไใดเหนือโลกทั้งนั้นแม้เราจะเคยประสบความสุขมาแค่ไห่แค่ใดที่เกี่ยวกับโลกความสุขประเภทนี้ก็เหนือสิ่งที่เราเคยปรากฏมาทั้งนั้นทั้งนั้น เปรียกว่าอิปานนั้นปรามังสุปทานแล้วนในอวตารแห่งพระมารีสิงขออาราธนาทุกทุกท่านให้สร้างความเข้มแข็งสนใจดูร่องรอยของใจรึ่งจะเป็นบอกเผยแข่งความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความโง่ความกระหล่เพิเัชหาและธรรมะเราจะได้ทราบเพื่อนทั้งทุกสิ่งที่ออกล่าวมันี้ไปโดยลําดับลำดับเพื่อ ข, ข้อปฏิบัติ จนสามารถทราบพัดได้โดยตลอดสิ้นสงสัยในใจดวงที่เคยเป็นตัวกลางเป็นข อ, อยู้สึกทางเพศนะคร